ส่วนองค์ที่สามเนี่ยนะองค์ที่สามที่มีปัญญาเนี่ยนะบรรลุฐานะพิเศษในพระพุทธศาสนาก็คือพระปุณณมันตานีบุตรนะเพราะผู้ที่มีปัญญาน้อยแบบนั้นจะ ก, กล่าวทำมรรคฐาปรารบกถาวัตถุสิบแล้วเอากถาวัตถุสิบมาแจกแจงเป็นวิสุทธิเจดประการเนี่ยนะคนมีปัญญาน้อยทําไม่ได้เนี่ยนะเอาวิสุทธิมาเชื่อมกับ อะไรกระถาวัตถุเอากระทาวัตถุมาเชื่อมกับวิสุทธิเจ็ดเนี่ยนะว่ามันข้อไหนเหมือนกันข้อไหนแตกต่างการศีละวิสุทธิคืออะไรได้กี่กระทาวัตถุ10เนี่ยนะได้กระทาวัตถุเท่าไรเนี่ยนะหรือกระทาวัตถุไหนเป็นวิสุทธิข้อไหนเนี่ยนะแค่สับไปสับมานี่ก็งงแล้วนะนะบางคนก็บอกว่าจํา10ข้อจําไม่ได้เลย7ข้อก็จําไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงว่าเอาทั้ง17ข้อเนี่ยมาแบบมาเข้ากันว่าอันไหนเข้ากับอันไหนอันไหนเป็นอันไหนแล้วเอามาปฏิบัติได้อย่างไร พันผู้ที่มีปัญญามากจึงจะทําได้เพราะเป็นผู้มีปัญญาสามารถเอาวิสุธทธิมาจําแนกเป็นกถาวัตถุเอากถาวัตถุไปจําแนกเป็นวิสุธทธิพระมห า, าพระปุณณเถระเนี่ยนะจึงแสดงลีลาเหมือนพระจันทร์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเขาเรียกว่านั่งจับพัดที่วิจิตบนธรรมะหรืออาสนะเป็นที่แสดงธรรมเนี่ยนะก็กล่าวธรรมกถาท่ามกลางบริษัทธ์ส เนี่ยนะแปลว่าเป็นผู้ที่เป็นเอตะทัคคะด้านกล่าวกถาวัตถุสิบ ใ, ในการแสดงพระธรรมเนี่ยนะก็เลยแต่งตั้งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุผู้แสดงธรรมซึ่งเป็นสาวกของเราคือพระปุณะนะะปณะมันตานีบุตรเนี่ยนะพระปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นหลานของพระอัญญากูลทัญญาเนี่ยนะลูกของนางมันตานีนี่เก่งมากเนี่ยนะเก่งมากมีความสามารถพิเศษในการแสดงธรรม นะแสดงคาถาวถัตถุแสดงวิสุทธิเจตย์อย่าลืมว่าผู้ที่เลิศในทางแสดงธรรมเนี่ยนะคือแสดงในสิ่งที่คนเอาไปปฏิบัติได้จึงเลิศเรียกว่าเลิศในด้านผู้แสดงไม่ใช่กล่าวหลักการสวยหรูที่เรียกว่าไม่มีใครทําได้เป็นต้นไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่เก่งจริงๆคือพูดในสิ่งที่คนเอาไปทําตามได้คนเอาไปปฏิบัติได้และคนฟังเนี่ยฟังปั๊บเห็นแจ้งสมาทานอาหารรา่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันนั้นแล้ว ยินดีที่จะปฏิบัติตามเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นผลเรียกว่าสละร่างกายและชีวิตอุทิศ ต, ต่อตามตามหลักการอ น, นันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระปุณณามนตานีบุตรเนี่ยท่านเป็นเอตทะคะเลิศเพราะความที่ท่านเลิศเนี่ยท่านสอนพระภิสุเนี่ยนะพรรษาเรกท่านก็สอนบรรลุแล้วห้าร้อรูปเนี่ยนะคือหลังจากที่ท่านบรรลุไม่นานเนี่ยท่านก็สอนให้บรรลุพระอานนท์ว่าเก่งมากฉลาดเยอะเนี่ยนะพระอานนท์เนี่ยก็คือลูกศิษย์พระปุณณามนตานี ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เก่งมากเนี่ยนะเป็นที่ยกย่องแม้แต่พระสารีบุตรก็ยังอยากพบเหมือนันนะยังอยากพบอยากจะสนทนาด้วยแต่ท่านก็เป็นพระที่มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยนะวิเวกสงัดปรารบความเพียรเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิวมุตติวิมุตติญาณนัทธสนะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วก็พบพบท่านยากอ่ะนะ คือญาติที่จะได้พบวังนั้นเถอะทีนี้องค์ต่อไปเนี่ยนะที่กล่าวท ร, รมกถาได้อย่างวิจิตเขาบอกว่าภิกษุที่มีปัญญาน้อยก็แบบนั้นเวลาจะแสะดงธรรมเนี่ยนะพูดท ร, รมรกคาบางทีก็พูดสเปะสปะพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะี่เราพูดเอาชั่วโมงพูดให้หมดเวลาเฉยเฉเนี่ยเหมือนคนตาบอดถือไม่เท้าก็เดินสเปะสปะทางที่ตัวเองไม่เคยไปใช่ไห ใหญ่ๆเคยเคยเห็นคนถือไม้เท้าตาบอดเดินทางทางที่ตัวเองไม่เคยไปไหมฉันใดผู้ที่กล่าวทําแบบผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ฉะนั้นก็ว่าสเปะสปะ่าพูดแล้วก็เข้าใจยากยากบางทีเรื่องพอจะเข้าใจแล้วพูดไปพูดมาเลยงงไปหมดเลยคันนี้เพรา ะ, ะเหมือนคนไต่สะพานไม้ที่เดินได้เพียงคนเดียวเคยเห็นคนเดินสะพานแขวนไหมสะพานแขวนด้วยไม้แล้วก็เอาไม้กระดานมาวางแล้วก็แขวนเชือกแล้วก็เดินเนี่ยเดินก็โยกไปโยกมา โ, มาโคลงไปโคลงมา แล้วก็ถ้าเดินสองคนก็ตกสะพานแน่เป็นต้นว่าว่าบางคนผู้ธรรมะก็เข้าใจยากแบบนั้นแหละแต่ผู้มีปัญญามากยกเอาคาถาแค่สี่บทมาตั้งชักเอาข้อเปรียบเทียบเอาเหตุและผลมารวมกันสแสดงให้เป็นพระไตรปิฎกตามพระพุทธดำ ร, ร, รัสทั้งแบบต่ำและแบบสูงแล้วแสดง น, นะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากพระ กุมารกสปะเป็นผู้มีปัญญามากยกเอาคาถามาสี่บทแล้วแสดงธรรมมาเปรียบเทียบด้วยเหตุด้วยผลเข้ากันเนี่ยนะทำทำให้เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธธรรรัตทั้งแบบเบื้องต่ําและแบบเบื้องสูงเหมือนธรรมดอกไม้ห้าสีบานอยู่ในสธรรมชาติหรือเหมือนอจุดตะเกียงน้ํามันพันไส้ให้โพลงอยู่บนยอดเขาสิเนรุฉะนั้นก็คือเป็นคนที่เรียกว่า นายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยนะเห็นดอกไม้ไม่กี่อย่างก็เอามาตกแต่งได้อย่างวิจิตแล้วก็งดงามแต่ถ้าคนคนไม่มีความไม่มีฝีมือในเรื่องการตกแต่งละ่ะจะมีดอกไม้สวยๆขนาดไหนามาก็ทำซะเสียหายหมดเนี่ยนะเพราะันเขาบอกว่าอย่างคนที่แต่งสวนเก่งๆมันก็ต้นไม้ก็เหมือนกับที่เราเห็นๆน่แหละแต่เขาก็สามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามชันใดเนี่ยนะ ผู้ที่แสดงธรรมอย่างเช่นพระมหาพระกุมารกัสสะก็ฉันนั้นสามารถหยิบยกพระพุทธพจน์แค่สองบรรทัดเนี่ยสีบทก็ประมาณสองบรรทัดเนี่ยมาขยายแจกเป็นพระตรยพิดกแสดงธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนซึ่งผู้ฟัง ฟังแล้วก็ไม่ไม่อิ่มเนี่ยนะฟังแล้วก็มีความสุขที่จะฟังเนี่ยนะว่าบางทีมันก็เหมือนกับว่าเออดูนาฬิกาแล้วดูแล้วดูอีกเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสัทีรำคาญหรือเกินเนี่ยนะไม่ใช่กลุ่มนั้นบางคนก็พูดมาก น, นะพูดเยอะแหละแต่ว่ามันน่ารำคาญน่ารำคาญเออเมื่อไหร่จะจบสัทีหนึ่งนะหาเหตุผลอะไรนะให้มันสมควรแก่การลุกนะอย่างเงี้ยคือพระปุมาลกัสสะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้เลิศในการกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตพระองค์จึงแต่งไว้ในเอตถค ะ, ะว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลิศกว่าเาราภิกษุผู้กล่าวทำได้อย่างวิจิตซึ่งเป็นสาวกของเรานั้นก็คือกุมารกัสสะเนี่ยนะพระกุมารกัสสะไม่ใช่พระมหากัสสะเนี่ยนะพระมหากัสสะจริงๆแล้วท่านพูดไม่มากเนนะท่านพูดน้อยมากทีนี้องค์ต่อไปที่ฉลาดมากเนี่ยนะซึ่งถือพวกเราทั้งหลายนี่กเ็เป็นผู้ที่ต้องระลึกถึงท่านให้มากเลยแหละองค์นั้นก็คือพระอ น, นุ์เนี่ยนะ เขาบอกว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยแบบนั้นเนี่ยนะใช้เวลาตั้ง4เดือนก็ไม่สา ม, มารถเรียนคาถา4บทได้2บรรทัดเนี่ยนะจำไม่ได้4เดือนแล้วก็เคยนึคล้ายๆว่าพระจุลบันโถกเนี่ยนะเรียนคาถา2บรรทัดเนี่ยเรียนพระพุทธพจน์สองบรรทัดเนี่ยท่านใช้เวลา4เดือนเรียนบรรทัดที่1ลืมบรรทัดที่2ได้บรรทัดที่2ลืมบรรทัดที่1ไปอีกแล้วจําสมมติมัน4บทเนี่ยนะจำอันหนึ่งได้ลืม 2- อสา จำสองได้ลืม 1,3,4 าสี่อย่างเงี้ยจำสี่ได้ก็ลืม 1,2,3 าจำสามได้ก็ลืม 1,2,4 ่งงอย่างเงี้ยว้ยงงไปหมดเลยนี้มัหัวจับหัวชนท้ายมันปนเปกันไปหมดเนียบางทีคนมีปัญญาน้อยเนี้ยไม่เชื่อเนี้ยเอางี้หนกันพุทธังสารนังคัจฉามิเนียว่าแบบไม่สับสนเนียมันไม่ง่ายกันนะพุทธังสารนังคัจฉามิเอาไปเอามาบางทีใจลอยไปสังขังสารนังคัจฉามิไปแล้วเนี้ยนะมังสารณังคัจฉามิเลยไปหาตะติยามปีไปแล้ว เคยมีครั้งหนึ่งบทเนรรูปหนึ่งบทเนนเขาก็มาว่าเนี่ยอา้าวสมณเณรพุทธังสรารนังคัจฉามีเนี่ยว่าอย่างนั้นเอว่าไม่จบเชื่อไหมก้าวก้าวเาเรียกว่าก้าบรรทัดเนี่ยนะวกไปวนมาสับไปสับมาตกอลงมันจบเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยนะว่าไรว่างงไปหมดเลยเขาบอกแค่ธรรมดายอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งชีวิตก็แทบจะสับสนตลอดเลยบางคนนี่แม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างนี้ก็สับสนเขาบอกว่างาั้น คนที่มีปัญญาน้อยนะแต่ว่าปริ ป, ปริมาณหรือประสิทธิภาพของปัญญาของคนทั้งหลายก็ไม่เท่ากันะนะบางคนก็มีปัญญาเยอะยิ่งกว่านั้นไปแต่คนที่ยืนอยู่ขาเดียวเนี่ยนะก็เดินหนึ่งเก้าเนี่ยเรียนได้ตั้งร้อยบทพันบทเดินเก้าเดียวเนี่ยนะก้าย่างเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยเรียนได้เป็นร้อยบทพันบทเนี่ยนะใครเก่งเนี่ยนะเขาบอกว่าแค่อ่านรอบเดียวแล้วจาได้นี่ก็ถือว่าวิเศษแล้วใช่ อ่านรอบเดียวและจําได้เนี่ยนะก็ถือว่าเก่งมากแล้วแล้วก็แบบชนิดที่เรียกว่ายืนอยู่เก้าเดียวเนี่ยหรือกําลังเดินเนี่ยก้าซ้ายก็ได้สิร้บทพันบทเก้าขวาก็ได้อีกร้อยบทพันบทเนี่ยนะองค์นั้นก็คือพระนนท์พระนนท์นั้นท่านยืนบนเก้าที่กําลังยกเก้าได้ข้างเดียวเนี่ยนะฟังครั้งเดียวไม่ต้องถามซ้ํารับได้เอาตั้งห 0,000 ื่นเรียกว่า 60,000 บทถ้ารวมเป็นคาถาก็ได้ประมาณหม0 0 0เอ่นห้ 15, าพันคาถา ในขณะเดียวนั่นแหละขอให้คนพูดให้มันทันเถอะท่านจะจําได้ทันถ้าพูดทันท่านก็จําทันถ้าพูดทันท่านก็เรียนทันนะนะเพราะว่าในโลกเนี่ยเนี่ยพระอนนเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญา ม, มากถ้าท่านพระอนนไม่มีปัญญา ม, มากพระพุทธเจา้าต้องมาเสียเวลาเท่าไรเนี่ยนะถ้าถามว่าพระองค์ต้องเสียเวลาขนาดไหนใช่ไหมเออทวนอีกครั้งพระเจ้าข้าอย่างเงี้ยถ้าต้องมาต้องคอยทวนอย่างนั้นอ่ะทวนพระไตรวิฎกอีกรอบหนึ่งพระเจ้าข่าถ้าอย่างงี้ก็ หมดเลยนะแต่ว่าพระนอนุนไม่ต้องทวนเนี่ยนะฟังครั้เดียวเนี่ยนะจำได้เหมือนอะไรนะเหมือนอน้ำมันราชสีอยู่ในภาชนะทองคำที่เรยกาไม่หยดไม่ซึมไม่หายเนี่ยนะถึงไม่สาธยาย0ี่สิปีก็ไม่เลอะเลือนเนี่ยนะไม่ลืมเลือนเนี่ยเรียกว่าเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารชั้นดีแล้วก็กระดาษชั้นดีเคลือบไว้ทีเดียวก็งามแล้วก็สะอาดเนี่ยนะเปิดมาเมื่อไหร่ก็ ปิ้งเหมือนเดิมเนี่ยนะใช้ได้ตลอดเนี่ยนะ ว, ว่าแค่เครื่องถ่ายเอกสารธรรมดาไม่ได้สร้างบารมีมัตสีสงไขอะไรก็ยังสามารถเก่งถ่ายแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องถ่ายเอกสารมันจําเท่าไหร่มันก็เท่านั้นใช่ไหมแต่พระ อ, อนนท์เนี่ยนะท่านฟังแล้วท่านขยายได้หมดเนี่ยนะท่านขยายได้หม ด, นะยย ด, ห ม, ดมองเรียกว่าทะลุปรโปร่งมองอมองข้างต้นก็รู้ว่าข้างปลายมองข้างซ้ายก็รู้ว่าข้างหลังเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยท่านรอบรู้มีปัญญามาก พระนรนั้นเปรียบเหมือนเอาเทววันเนี่ยนะดึงด อ, ดอกไม้มาถือเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านเป็นพวกกลุ่มที่เรียกว่าสาวถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยก็เรียกสาวมาเป็นช่อๆเลยเนี่ยนะไม่ใช่เด็ดทีละดอกทีละดอกแต่ว่าท่านประเภทแบบถือดอกไม้ทีละช่อทีละพวงทีละพวงทีละพวงก็ว่าคนที่ถือดอกไม้เป็นพวงๆเนี่ยนะหยิบเอาสักสิบพวงนี่ก็ได้ดอกไม้เยอะแล้วถ้าถ้าถือเอาทีละก้านล่ะหยิบตั้งนานได้ดอกไม้ไม่กี่ดอกเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันต่างกัน ถ้านนเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านมีความสามารถในการเล่าเรียนเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างว่าหนึ่งเก้าท่านเรียนได้หกหมื่นบทถ้าเรี ย, เรยบเรียงเป็นคาถาก็ประมาณห5ื่นห้าพันคาถาแปลว่าหนึ่งเก้าเดียวเนี่ยนะท่านอ่านอ่านหนังสือจบเล่มหนึ่งง่ายๆอ่านอ่านทวารสารธรรมดาเนี่ย้าละเล่มอ่ะ ความสามารถท่านขนาดนั้นเนี่ยนะแต่นี้ว่าไอ้บริสารเหล่านั้นไม่ได้มีปัญญามากแบบอะไรนะไม่ได้มีประโยชน์เหมือนพระพุทธพจน์อะไรนะแต่ว่าพระพุทธพจน์เนี่ยพระอ น, นุณเนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็กําหนดจดจําเพราะความความสามารถของท่านเหมือนรอยขีดลงบนแผ่นหินเรียกว่าเคยเห็นเรียกว่าแกะสลักหินไหมแกะสลักหินเนี่ยนะมันยากที่จะเลอะเลือนลืมเลือนเหมือนนะ้ำมันเปเลวมันราชสีที่ใส่ใไว้ในภาชนะทองที่ ที่แบบเรียกว่ากําหนดจดจําได้อย่างแม่นยําไม่เผลอเนี่ยเพราะความที่ท่านมีปัญญามากพระสูตรทุกสูตรเนี่ยนะพระอ น, นุท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วเมื่อเวลาเชา้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาค่ําพระพุทธเจ้า อ, อยู่ณสถานที่ตรงนั้นเวลาเท่านั้นเวลากี่ยามะนะวันเดือนปีที่เท่าไหร่ราศีเท่าไหร่หรือดูอะไรเนี่ยน ะ, ะแล้วมีในนั้นนะมีคนฟังกี่คนท่านบอกได้หมดเลย แต่ท่านบอกว่าโอ้ ค, คนอื่นจะเป็นภาละในการจำเกินไปท่านก็บอกว่าเอกังสมยังก็แล้วกันเนี่ยนะเอกังสมยังเอวามีสุตังเอกังสมยังพควาใช้แค่นี้พอละเนี่ยนะถือว่ารู้กันเพราะว่าถ้าหากว่านำมานั่งขยายเนี่ยนะไอแทนที่จะว่าอธิบายหมดเนี่ยห้าหน้า ต, ต่อต่อตรงนั้นเนี่ยนะย่อมาเหลือคำเดียว ทีนี้ตอนหลังมาอีกท่านก็ บ, บอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมายังภควาสาวทิยังวิหารตีเชตวันเนานาถินติกาส า, าราเมเป็นต้นเนี่ยท่านก็แทนที่จะเหลือแบบเต็มงนั้นสาวัตถีนิฐานอยู่สับเดียวก็รู้กันว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตพินติกาเศรษฐีใช้อยู่สับเดียวว่าสาวัตถีนิฐานอย่านั้นเพราะถ้าหากว่ามาแสดงหมดงนั้นก็ไม่มีจบมีสินน้นนะไม่มีจบเป็นอ่างนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยขมวยแล้วก็ประมวลลงมาก็รู้แล้วเนี่ยนะ เแต่ก็แต่ก็ไม่หลุดประเด็นเนี่ยนะไม่หลุดประเด็นเนี่ยคือไม่หลุดประเด็นเรียกว่าจับหัวก็รู้ท้ายจับปลายก็รู้โค น, นมือ้นเถอะเหมือนก็มองต้นไม้เนี่ยจะมองจากราบมาก่อนก็ได้จะมองจากยอดมาก่อนก็ได้มองตรงกลางก็ได้จากกิ่งไหนก็ช่างเถอะมันจะถึงกันทั้งลำต้นพระอนรนก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากในลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้งอเอตทัคคะความเป็นเลิศให้กับพระอนร์ว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ที่เป็นเลิศกว่าเราภิกษุผู้มีคติเนี่ยนะซึ่งเป็นสาวกของเรานั้นก็คือพระอ น, นอุนอนุน์นั้นเป็นเอตะทะคะด้านมีคติมีสติมีทิฏฐิเป็นผู้เป็นพหูสูตรและเป็นอุปถากเนี่ยนะเป็นผู้อุตผู้ตอุปถาคชั้นเลิศไม่มีใครจะอุปถากได้เท่ากับพระอนุ์เนี่ยนะแต่ปกติแล้วคนที่มีปัญญาแบบนี้เนี่ยอุปถากไม่ได้เนี่ยนะโอ้ยรับใช้คนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะจะกระดับเราแล้วใช่ไหม อุปถากดูแลคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่ว่าพระอนนท์นั้นเป็นเอตทักคะในด้านการอุปถากถึงฉลาดขนาดนี้ท่านก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากศรัทธาที่เรียกว่าอ จ, จะลศรัทธาเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายในพุทธอุปถาดพระอนนท์นไม่เบื่อหน่ายที่จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านอยากจะนั่งดูพระพุทธเจ้าทั้งวันนั่นแหละท่านอยากนั่งฟังเสียงของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งวัน นะท่านมีศรัทธามากขนาดนั้นถึงท่านจะเก่งจะฉลาดขนาดนั้นแต่ไม่อิ่มด้วยการเห็นไม่อิ่มด้วยการฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านขอพอรไว้อันหนึง่งถ้าใครมาหาข้าพระองค์ให้พาเขาเข้าเฝ้าได้จริงพระนรนอยากฟังธรรมด้วยแหละเนี่ยนะคือเรื่องของเรื่องว่าพระนรนอยากฟังธรรมพันเวลามีใครมาพูดเน่ยเออเรื่องนี้ได้เหตุสมควรเข้าเฝ้าได้แล้วจะได้ฟังธรรมคือคือก็อย่างว่านะผู้ที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยไม่อิ่มในการเรียนรู้เนี่ยนะไม่ไม่อิ่มในการเรียนรู้เลยเป็น เอตทัคคะด้านเป็นพหูสูตรเนี่ยนะเพราะพะหูสูตรเนี่ยพวกนี้ไม่อิ่มในข้อมูลเนี่ยนะพวนี้ไม่อิ่มในความรู้เนี่ยนะยินดีในความรู้เปรียบเหมือนทะเลเนี่ยทะเลอิ่มในน้ํำไหมบอกไม่อิ่มเนี่ยนะพระโรเนี่ยไม่อิ่มด้วยด้วยการฟังพระธรรมเนี่ยนะ